นัตติกัมมังสมะผลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม อุบัติแห่งเขาพนมกุเลนมั้ยครับเรื่อง มีการแบ่งพระอริยะเจ้าผู้หลุดพ้นไว้ถึง 4 ประเภทได้ชาติรู้ พระอรหันต์ประเภทฉละปิญโญหรืออภิญญา 6 พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีต่างๆกัน รูปนี้ท่านก็เช่นกันมีปฏิปทาล้ําคือเผาไฟบูชาไฟเป็นฤทธิ์ไม่เรื่อยๆกินก็ได้ไม่ 14-15 วันตลอดจนเดือนนึงก็มีปฏิปทาหลวง เป็นๆทั้งสิ้นหลวงปู่สวงคือใครนี่เป็นคำถาม ออกบวชกับใครอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าท่านเป็นชาวเขมรรูปร่างสูงโป่ง ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นทางพระเค้า พระเถระเหล่านั้นก็ได้แก่หลวงพ่อส้อยวัด 7 ขวบบ้าง 9 ขวบบ้าง 80 ปีแล้ว หลวงมีแต่ตัวเองที่แก่ตัวลงไปทุกวันสวงท่านก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมมีแต่ 1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่านร่ำเรียน 4 ท่านมีอายุ สอบถามๆท่านไม่มีชื่อก็มีคนเคยถามท่านว่าท่านชื่ออะไรมีชื่อก็มีคนเคยถามท่านว่าท่านชื่อๆทั้ง แม้รูปนามของตนก็ไม่สนใจเพราะว่าล้วนเป็นสมมุติ อันที่ก็เรียกหลวงปู่สวงอ่าแปลว่าหลวงปู่ใหญ่ลูกตะเบาะ ถ้าเป็นที่นิยมเรียกแถบศรีสเกตจะเรียกหลวงๆของท่านไม่มีปฏิปทา ไม่ว่าหลวงปู่จะไปอยู่ที่ไหนท่านจะเอาว่าว เรื่องว่าวนี้ผู้คนมักจะเห็น อ่าของหลวงปู่ตามปกติสามัญชนน่ะย่อมๆเป็นการออกกําลังทาง เป็นผลดีในการเจริญสติและสมาธิภายในตัวด้วยจากเล่าก็มาถึงไก่ชนเป็นที่รู้กันดีว่าหลวงปู่เนชอบไก่ชนอ่า ปรากฏว่าไก่ชนหลวงปู่สวงชนะทุกบอลไม่มี ท่านเห็นว่าผ้าอะไรที่ใช้ห่มห่อร่างกายพอเป็น พฤติกรรมบางอย่างทําให้คนที่มองดูหลวงๆเหล่านี้โดยสิ้น จิตเข้าถึงความว่างความสละ ยังการร้องเจรียงของหลวงปู่สวงนั้นเชื่อกันว่า ทั้งเป็นการโปรดดวงวิญญาณ ด้วยเหตุนี้เสียงของหลวงปู่จึง ยังไงก็ตามใครที่ 4 จะสามารถได้ยินเสียง หลวงปู่สวงท่านชอบเขียนเขียนคําว่าดีดีๆอ่าคําขเหมนก็คือเจียๆๆ รูปวงเวียนของท่านน่ะหมายถึงกงกรรมกงเวียนคือทําอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมที่ทําไว้จะตามเราไปเหมือนกับวงๆนั้น เราๆที่ท่านทําในปฏิปทาในกิริยาของท่านเราก็จะได้รับความรู้มีเงินมีทองอ่ะท่านสอนบอกว่ามี อย่าหลงกับสิ่งสมมุติจนลืมความจริงที่เป็นธรรมะทำไมอย่างนั้นแล้ว แก่งปฏิบัติตนเป็นคนบ้าคนวิกลจริต นั่งยังไงก็ได้หลายครั้งที่ท่านนั่งฉันข้าว หลวงปู่สวงคือพระกิริริหอทองเพื่อให้คนมองไม่ๆท่านจะมีวิธีหนีคนเหล่า ของคนเพราะคนมีแต่กิเลสต้องการสนองกิเลสตัวเองตลอดเวลาดัง ก็ทําให้สร้างเลือดเนื้อวัตถุต่างๆได้ตามความปรารถนาหลวงปู่ท่านจะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้ไม่มีอะไรที่ๆทั้งจนแม้เดี๋ยวนี้องค์หลวงปู่ ก็ยังคอยโปรดผู้ศรัทธาอย่างต่อเนื่อง เพราะคำว่าโลกอุดรนั้นแปลว่าผู้อยู่เหนือโลกถ้าโลกอุดรหรือว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้นแท้จริงจึง หลวงปู่พรหมโพหลวงปู่อิเกสาโรหลงปู่สวงหลวงปู่กบหลวงปู่โอภาสีต่างก็เป็นพระโลกอุดรด้วยกัน rapid ผู้เป็นอริยะเจ้าเหนือโลกนั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คือองค์อริยะเจ้าหลวงปู่โอภาสิแห่ง ท่านใดที่ศึกษาเรื่องราวตํานานของหลวงปู่โลกอุดรก็จะรู้ แล้วก็บังเอิญละเกินที่วัดปฏิบัติ อีก 1 ร่างของหลวงปู่สวงที่ยังอยู่นั้นมีดามปูรินทร์คําอยู่บนเทือกเขาภูพานชอบแกล้งทําเป็น บางครั้งขึ้นบ้านญาติโยมเอาขี้หมายื่นให้อ่าเอาขี้หมาไปนึ่งพอ อ่าเป็นคนเดียวกับหลวงปู่โลกอุดรหลวงปู่สวงแล้วก็ รวยเป็นล้านไปก็มีทุกอย่างที่มีคนน้อมถวายองค์หลวงปู่สวงท่าน คือก่ออาบจากการนั่งตากแดดก็เหมือนกันไฟอาบเตโชธาตุอับจากการนั่ง ส่วนเรื่องการเผาไฟเนี่ยหลวงปู่ สัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนที่เค้ามาขอส่วน 4 เผาไฟ 5 เขาไฟเพื่อเป็นวัดปฏิบัติอันสืบมาเรื่อยๆ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงปู่ท่านรู้ ซึ่งเข้ามายังแถบอุตสาหะอาคเนนี้วิชาฤทธิ์เหล่านี้ คือการทําเนื้อหนังร่างกายของตัวเองให้อ่า สารพัดแม้โดนของหนักเท่าไหร่ก็เหมือนโดนปุยนุ่น คือหลบหลีกได้ไม่ต้องตัวแม้ว่าจะ อาวุธทันสมัยเท่าไหร่พอถูกวิชานี้ก็สิ้น วิชานี้คนที่ได้ไปหากไปใช้ในทางไม่ดีนี้คนที่ได้ไปหากไปใช้ใน 7 วิชาเมตตามหานิยม 8 วิชามหาเสน่ห์ มีความแรงมากกว่าเมตตามหานิยมโดยทั่วไป 9 วิชามหาลาภเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการวิชาโหราศาสตร์อันนี้เกี่ยว ทั้งโหราศาสตร์นี้มีทั้งการดูด้วยดวงดาวเห็นเหตุการณ์ในปัจจุบันและ พลังจักรวาลการกดจุดการดัดตนถ่ายเทไปมาอ่าใช้ในการ ท่านเจนจบในวิชาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้และเมื่อท่านเป็นผู้สําเร็จจิตขั้นสูงๆก็ ก็มีสภาพรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม และภิกษุสามเณรที่สนใจติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลข